เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาพยับแดนและฟองน้ำพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา500ร้อรูปได้ยินว่าภิกษุห้ารเรียนออกกรรมฐานและเข้าสู่ป่าแม้พยายามอยู่ก็ไม่ได้บรรลุคุณในวิเศษจึงคิดว่าจะเรียนกรรมฐานให้วิเศษยิ่งขึ้น กำลังมาสู่สำนักพระศาสดาในระหว่างทางลายเห็นพยับแดดเจริญกรรมฐ า, านเอาพยับแดดเป็นอารมณ์ต่อมาฝนตกในขณะเข้าไปสู่วิหารนั่นเองเห็นฟองน้ำทั้งหลายซึ่งตั้งขึ้นแล้วแตกไปด้วยความเร็วแห่งสายน้ำยึดเอาเป็นอารมณ์ว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นเช่นกับฟองน้ำเกิดขึ้นแล้วแตกไปเหมือนกัน พระศัสดาประทับนั่งอยู่ใต้คันธัคคดีนั่นเองทรงแผ่พระราศมีตรัสพระคถานี้ว่าภริยามัจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งโลกเหมือนบุคคลเพิ่งเห็นฟองน้ําและเหมือนบุคคลเพิ่งเห็นพยับแดดในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นบรรลุอรหัตแล้วในที่แห่งตนยืนแล้วนั่นเองดังนี้แหละ อธิบายว่าผู้พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งโลกคือผู้พิจารณาเห็นซึ่งโลกคือความแตกดับมีขันเป็นต้นเกิดแล้วย่อมแตกไปเพราะความเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าเป็นของเข้าถึงความเป็นรูปที่ยึดถือเอามิได้เป็นของว่างเปล่าแท้ขันหคือรูปประขันหนึ่งนามขันสี่ เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะเสื่อมสลายแตกดับไปว่างเปล่าหาสาระไม่ได้สรุปลงมีแต่รูปประคันกับนามขันคือรูปกับนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลาที่เรามองไม่เห็นเพราะอาวิชชาทำให้เกิดมีตัวยึดคืออุปาทานขันเข้าไปยึดขันให้วิปลาสคลาดเคลื่อนจากความจริงว่าเป็นตัวตนว่าเป็นตัวเราของเรา เป็นการเห็นผิดพึงทำความเห็นให้ถูกให้เป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำปัญญาเจริญสติปัญญาให้เกิดจะรู้เห็นความจริงปัญญาเกิดได้สามทางได้แก่การฟังหนึ่งการคิดหาประโยชน์มิใช่ประโยชน์หนึ่งภาวนาทำให้เจริญขึ้นมีขึ้นด้วยการเจริญสติอยู่กับรูปนามหนึ่ง ปัญญาเกิดด้วยเหตุแห่งการเจริญสติได้แก่สติปทานสีระลึกรู้ในกายในเวทนาในจิตและในธรรมเนืองเนืองหมายเหตุ hate, ผู้อ่านสำหรับการเกิดดับของรูปนั้นคล้ายกับแสงไฟที่เราเห็นว่ามันสว่างเป็นความสว่างเดียวกันนั้นจริงๆแล้วมันเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วจนเห็นว่าเป็นแสงเดียวกันนะครับ ร่างกายและวัตถุรอบกายก็เช่นเดียวกันมีการเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วมหาศาลจึงกลายเป็นวัตถุที่เราสัมผัสกันได้นะครับซึ่งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันสามารถพิสูจน์ระดับหนึ่งได้แล้วว่าในวัตถุทุกชนิดที่เราได้สัมผัสได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับข้างในจะมีโปรโตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนเกิดการวิ่งวนอยู่ภายในตลอดเวลานั่นแสดงให้เห็นว่ามีการเกิดดับอยู่ขึ้นจริง การจะเข้าใจธรรมะคือความจริงของธรรมชาติทั้งปวงได้จริงต้องเกิดจากภาวนามยปัญญาคือปัญญาขั้นสูงสุดซึ่งจะเกิดได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติสติปัฏฐานสจนบรรลุธรรมแล้วเท่านั้นนะครับการบรรลุธรรมก็คือการเข้าใจรู้เห็นตามความเป็นจริงถึงธรรมชาติความจริงของสิ่งทั้งปวง